ข้ปฏบิบัติบางอย่างที่ควรเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับโภคทรัพย์ข้องอในแง่ระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองมักมีคําถามว่าระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองแบบไหนถูกต้องหรือไปกันได้กับพระพุทธศาสนาเรื่องนี้อย่างน้อยในขั้นพื้นฐานไม่ใช่เรื่องที่พระพุทธศาสนาจะต้องตอบหรือหากไม่ถือว่าตีโวหารก็อาจต้องย้อนว่า ระบบไหนที่ปฏิบัติได้ตามหลักการของพระพุทธศาสนาก็ระบบนั้นแหละความจริงระบบต่างๆนั้นเป็นเรื่องในระดับวิธีการและเรื่องของวิธีการนั้นตามหลักพุทธศาสนาถือว่าย่อมเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงไปได้ตามปัจจัยแวดล้อมทั้งในทางการละและเทสะสิ่งที่จะต้องพูดก่อนก็คือหลักการและวัตถุประสงค์ สาระสําคัญของพวกทัพย์ก็ดังที่ได้กล่าวแล้วในข้อขอคือเป็นอุปกรณ์หรือเป็นปัจจัยอุดหนุนช่วยให้มนุษย์สามารถจัดสรรความเป็นอยู่ของพวกตนให้สะดวกและเกื้อกูลแก่การที่จะอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขและมีความพร้อมยิ่งขึ้นที่จะทําสิ่งดีงามบรรลุความดีงามที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อทรัพย์เกิดขึ้นที่ไหนหรือแก่ใครก็ตามก็คือมีปัจจัยอุดหนุนเกิดขึ้นแล้วในสังคม มนุษย์ทั้งหลายควรจะสามารถมีชีวิตที่ดีแล ะ, จะเจริญ ง, งอกงามยิ่งขึ้นระบบวิธีทางเศรษฐกิจทางการเมืองอันหนึ่งอันใดก็ตามสามารถทำให้สำเร็จผลด้วยดีตามความหมายแห่งหลักการและวัตถุประสงค์นี้ระบบวิธีนั้นก็สอดคล้องกับพระพุทธศาสนาส่วนที่ว่าระบบวิธีเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยปัจจัยแวดล้อมแห่งกาลและเทสะนั้นมองเห็นได้ง่าย เช่นในพุทธการเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตั้งคณะสงฆ์ขึ้นเป็นชุมชนเฉพาะกิจเฉพาะวัตถุประสงค์ทรงจัดวางวินัยให้พระภิกษุไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวนอกจากบริขาร8ปแต่ให้ทรัพย์สินเป็นของสงฆ์คือส่วนรวมหรือของกลางนั้นในเวลาเดียวกันสำหรับสังคมของชาวโลกซึ่งขณะนั้นมีการปกครองในจุมพูตวีปสองแบบก็ทรงสอนหลักอริหานิยธรรมสำหรับรัฐ ที่ปกครองแบบสามัคคีธรรมหรือแบบสาธารณรัฐและทรงสอนหลักจกกักรวรรดิวัตสำหรับรัฐที่ปกครองแบบราชาธิปไตยเรื่องนี้แสดงลักษณะอย่างหนึ่งของพุทธธรรมด้วยคือพุทธธรรมไม่ใช่เป็นเพียงปรัชญาหรือเรื่องของนักคิดแต่เป็นเรื่องของาศาสดานักปฏิบัติซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับประชาชนผู้ดำรงชีวิตจริงท่ามกลางสภาพสังคม และสถานการณ์ที่เป็นไปอยู่ในเวลานั้นๆต้องสอนสิ่งที่เขาใช้ได้ปฏิบัติได้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่เขาตั้งแต่ปัจจุบันดังที่เรียกว่าทรงสอนความจริงที่เป็นประโยชน์หากจะต้องรอจนกว่าหลังสถาปนาระบบที่ว่าดีที่สุดซึ่งความจริงก็ยังเป็นเพียงระบบที่หวังว่าดีที่สุดเสร็จแล้วจึงค่อยใช้ระบบนั้นทําให้ประชาชนประสบประโยชน์สุขอย่างนี้ จะพ้นจากความเป็นการปฏิบัติที่เลื่อนลอยและพ้นจากความงมงายได้อย่างไรในเมื่อทั้งระบอบสามกีธรรมก็มีอยู่ทั้งระบอบราชาธิปไตยก็มีอยู่ในเวลานั้นก็เป็นอันว่าประชาชนที่อยู่ภายใต้ระบอบราชาธิปไตยพระาศาสดาก็ต้องช่วยเขาอยู่ดีมีสุขประชาชนที่อยู่ภายใต้ระบอบสามกีธรรมพระองค์ก็ต้องช่วยให้เขาอยู่ดีมีสุขสำหรับระบอบแรก คือระบอบราชาธิปไตยทรงเน้นให้ผู้ปกครองมองเห็นยศศักดิ์อำนาจเป็นเครื่องมือสร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎรไม่ใช่เป็นเครื่องมือแสวงหาสิ่งปลเปลอบำเบลสุขส่วนตนสำหรับระบอบหลังคือระบอบสามกิจธรรมหรือสาธารณรัฐทรงแนะนําหลักและพิธีการที่จะดําเนินกิจการให้เข้มแข็งมั่นคงได้ผลดีในระยะที่ระบอบราชาธิปไตยจเจริญในทางดีงามอย่างสูงสุด คติธรรมแนวพุทธนี้ก็ได้เป็นหลักการปกครองของพระเจ้าอาโศกมหาราชดังดำรัสของพระองค์ในสิลาจารึกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยัศสีผู้เป็นที่รักแห่งถวยเทพไม่ทรงถือว่ายศหรือเกียรติจะเป็นสิ่งมีประโยชน์มากเว้นแต่จะทรงปรารถนายศหรือเกียรติเพื่อความมุ่งหมายนีว่าทั้งในบัดนี้และในเบื้องหน้า ขอประชาชนทั้งหลายจงตั้งใจสดับฟังคําสอนธรรมของข้าและจงปฏิบัติตามหลักความประพฤติในทางธรรมเมื่อจับสาระที่เป็นหลักการและความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ได้แล้วการที่จะวินิจฉัยว่าระบบใดถูกต้องสอดคล้องกับหลักการและความมุ่งหมายนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณารายละเอียดกันยืดยาวก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้รู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบนั้นๆ จะพึงถกเถียงกันหรือหากจะคิดวางระบบวิธีใหม่ที่ถูกต้องได้ผลดียิ่งกว่าระบบต่างๆเท่าที่มีอยู่ขึ้นมาได้ก็คงจะยิ่งเป็นการดีแต่ทั้งนี้ยังไม่ใช่กิจของหนังสือนี้เพราะเป็นเรื่องในภาคประยุกต์ที่จะพึงเขียนไว้ต่างหากจบบทที่15้า